เจ๊กทู 77. ซดซิด e เเหตุผลบางประการ 3. น <in> k าอลีททำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะザ k a เนยตอ ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะมูรัมสหุยชติดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะเนยิมยะคารมูอมอรัมสหุยชติทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะซาคเนเปียเตปีวาดิฉันต้องขับรถค่ะ Moram เ e v o z i t ีดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ n นพิเอมกา moram ม e v o z i ช i ูซิตีทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ a ค่าย i e พีเ e สคา a ว่มันเย็นแล้วค่ะล่ ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะเ e ย่เย่แคเทำไมคุณไม่ดื่มชาคะザไคเนชดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ น, นีมมส a ดดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ ในพิเอมกาเขนิมัมสลัดโคเรียทำไมคุณไม่ทานซุปจะค่อยในเยสติยูแค่ดิฉ uh ันไม่ได้สั่งค่ะ ni ซมิเยนารุชิวนิซมิเยนารุชิลาดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะในเยมเย เนยยคยนรชลาทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะザคยดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะซัมเตารดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ น e ยิมกาข้าเป็ vegetarian ซ์นาย e มก a ข e r s ป m น vegetarian k a